ไม่มีอะไรจะดีกว่าลถแห่งธรรมลถแห่งธรรมชะนะรดทั้งปวงไม่ว่าชาติใดภาษาใดก็หนีไม่พ้นธรรมในที่สุดก็ต้องเข้าหาธรรมถ้าอยากจะหาสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพราะสิ่งที่เรามีอยู่นี้มันก็สุดสุดแล้วเราได้กันหมดแล้ว เรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเรื่องปัจจัยสี่ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอาหารเราก็ได้สัมผัสกันหมดแล้วมันก็ได้เต็มที่แล้วแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะมาดับหรือมาแก้ปัญหาทางจิตใจเราจิตใจเราก็ยังวุ่นวายอยู่กับเรื่องราวต่างๆเรื่องพื้นฐานก็เรื่องแกเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ว่าจะเป็นใครก็ยังแก้ปัญหานี้กันไม่ได้ถ้าไม่เข้าหาธรรมะธรรมะนี่เป็นคำตอบของปัญหาของของทุกทุกคนทุกคนนี่มีปัญหากับเรื่องแก่เจ็บตายกับเรื่องการพลาดพาดจากกัน ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะแก้ให้ได้นอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงไม่แปลกที่มีคนเข้าหาธรรมกันโดยเฉพาะคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพราะเขารู้ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาพื้นฐานของเขาปัญหานี้จะยากดีมีจน จะเล็กหรือจะใหญ่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันมีสิ่งเดียวที่จะแก้ได้ก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าพวกเราโชคดีที่ได้มาเจอพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่มีพระธรรมคําสอนนี้เราก็จะไม่มีอะไรมาช่วยเราได้ไม่มีอะไรที่จะมาสอน มาบอกวิธีแก้ปัญหาของพวกเราดันั้นการได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้หลุดมือไปก่อนที่จะรีบตักตวงประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เวลาของเรามันจะน้อยลงไปเรื่อย วันเวลาผ่านไปผ่านไปเวลาที่จะได้มาตักตวงผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยเราควรที่จะดึงเวลามาทางพระพุทธศาสนาอย่าปล่อยให้ถูกดึงไปในทางลาบยศรเสนินดึงไปทางโขทางตาหูจมูกเล่นกาย เพราะมันไม่ได้ไปแก้ปัญหาพื้นฐานของพวกเราไปหาเงินมาเพิ่มอีกร้อยล้านพันล้านปัญหาก็ยังอยู่เหมือนเดิมไปได้อะไรมามากน้อยเพียงไรมันก็ยังไม่แก้ปัญหาอยู่ดีจะแก้ปัญหามันต้องมาหาธรรมมาปฏิบัติธรรม มารักษาศีลศีล ส, สมาธิปัญญาถ้ามีศีลมีสมาธิมีมีปัญญาก็จะแก้ปัญหาเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายได้เรื่องของการพัดพรากจากกันได้จะไม่เดือดร้อนจะไม่ มีปัญหากับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเรื่องของการ พ, พราดพาดจากกันจะรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับฝนฟ้าอากาศฝนตกแดดออกพาทิ์ขึ้นพาทิต์ตกนี้ไม่มีปัญหากับพวกเรายัาในใดเรื่องของร่างกายก็ไม่มีปัญหากับผู้ที่มีธรรมเพราะผู้ที่มีธรรมก็จะสามารถ แยกตนเองออกจากร่างกายได้แยกให้เห็นว่าร่างกายก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเหมือนผ้าทิศขึ้นผ้าทิ์ตกร่างกายก็มีขึ้นเวลาเกิดก็ผ้าร่างกายก็ขึ้นเวลาตายร่างกายก็ตกเหมือนกับผ้าทิศมีขึ้นมีตกพอตกแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ก็เกิดใหม่เห็นไ พระอาทิก็เกิดใหม่ทุกวันเกิดวันนี้แล้วตอนเย็นก็ตายไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาใหม่ร่างกายนี้ก็เกิดชาตินี้เดี๋ยวพอตายไปเดี๋ยวก็กลับมาเกิดชาติใหม่เห็นไหมเด็กที่ออกมาใหม่ๆเด็กที่คลอดใหม่เหลนี้ก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงใหม่คนที่ตายไปแล้วก็ได้มาได้น่างกายอันใหม่ ได้มาเป็นลูกเป็นหลานของคนเก่าเดี๋ยวคนเก่าก็ไปแล้วได้ว่ากลับมาเป็นลูกหลานของคนคนใหม่นี่ก็ผัดกันเป็นเนี่ยกงกรรมกงเกวนเราเลี้ยงเขาตอบไปเขาก็มาเลี้ยงเราเราเลี้ยงเขาดีเขาก็จะเลี้ยงเราดีเราเลี้ยงเขาไม่ดีเขาก็จะเลี้ยงเราไม่ดี คนที่มาเกิดแล้วเจอพ่อแม่ที่ไม่ดีก็เพราะตนเองตอนที่เป็นพ่อแม่ไม่เป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีนี่เรียกกฎแห่งกรรมเนี่ยคือถ้าเรามีมีปัญญาเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เหมือนดวงอาทิตย์ที่มีขึ้นมีตกร่างกายนี้มีเกิดก็มีตายเนี่กับความจริงแค่นี้รับกันไม่ได้ รู้สึกมันต่อต้านล้วเกันไม่ยอมรับความจริงกันมีแต่เกิดแล้วอยากจะให้อยู่ไปไม่มีวันตายกันเถอะแปลกทั้ทงๆ ท, ที่เห็นกันว่าต้องตายกันทุกคนแต่ไม่มีใครยอมตายกันไม่รู้ว่ายอมตายแล้วสบายไม่ยอมตายนี่ทุกทุกขณะที่ยังไม่ตายเพียงแต่คิดว่าเพียงแต่คิดถึงความตายก็ทุกข์แล้ว ยังไม่ได้เจอของจริงเลยก็อยู่ก็มันไปเรื่อยๆก็มาเปลี่ยนความอยากนี้ทั้งหมดเลยอย่าไปอยากให้มันไม่ตายอย่าไปอยากอ ย, กอยู่มันอยู่ได้ก็อยู่ไปมันจะไปก็ให้มันไปเท่านี้ก็จบแล้วปัญหาไม่มีอะไรมากมายปัญหาคือทำความทาลายความอยากไม่ตายไม่ได้ ความอยากอยู่ทําลายมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้มีแค่นี้เปัญหามาปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาหยุดได้สองตัวเนี้หยุดความอยากอยู่ก็หยุดความอยากไม่ตายถ้าหยุดมันได้แล้วสบายสิ่งที่จะหยุดมันได้ก็คือสติปัญญาเรามีแล้ว เราไม่เหมือนสุนัขสุนัขมันไม่รู้ว่ามันเกิดมาแล้วมันต้องตายมันก็มันก็ดิ้นนนนต่อสู้ไปตามเรื่องของมันมันไม่มีปัญญามันไม่รู้ว่ามันจะต้องตายแต่มนุษย์นี่รู้แล้วรู้ว่าต้องตายกันแล้วแล้วมีพระพุทธศาสนามาบอกด้วยว่าที่ทุกข์กับความตายก็เพราะไม่อยากตายนี้เท่านั้นเองถ้าหยุดความไม่อยากตายได้มันก็จะไม่ทุกข์ ฉันจะว่าเราไม่มีปัญญามันไม่ใช่มันมีแต่มันไม่ยอมไม่เชื่อยังอยากไม่ตายอยู่นั่นทั้งๆที่ศาสนาก็บอกแล้วความอยากไม่ตายนี้ทำให้เราทุกข์ถ้าไม่มีความอยากไม่ตายเราจะไม่ทุกข์ฉะนนเวลาคนอื่นตายเราไม่ทุกข์ใช่ไหมเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ตาย แต่ถ้าคนไหนเราอยากให้เขาไม่ตายเราก็ทุกได้ทั้งๆที่ไม่ใช่และเป็นร่างกายของเราเช่นร่างกายของลูกลของหลานเราเนี้ยเราก็ไม่อยากให้เขาตายใช่ไหมพอเราไปมีความไม่อยากหรืออยากมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาไม่อยากตายหรืออยากอยู่มันก็เป็นเหรียญสองด้านเหรียญนันเดียวกันด้านหนึ่งก็มองไปในทางไม่อยาก ด้านนึงก็มองไปในทางอยากอยากอยู่กับไม่อยากตายมันก็เป็นของคู่กันอันเดียวกันภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาก็อยากอยู่วิภาวะตัณหาก็ไม่อยากตายมีท่านนี้แหละสองตัวนี้แหละที่เป็นตัวปัญหาอีกตัวก็คือการมาตัณหาที่ไม่อยากตายก็าพยัง อ, อยากเที่ยวกันอยู่ ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บเพราเวลาแก่เวลาเจ็บนี่เที่ยวลำบากสังขารมันไม่ไหวเดินทางไม่ไหวแบกกระเป๋าไม่ไหวหที่วกระเป๋าไม่ไหวเนี่ยมันหยุดตัวนี้ยากตัวตัวการมาตัญหานี่ยหยุดยากมันเป็นยาเสพติดพอลองได้เสพแล้วมันติด และเวลาไม่ได้เสพนี่มันเครียดมันทรมานใจดูคนที่ติดบุหรี่ติดสุราเเวลาบุหรี่ไม่มีเวลาสุราไม่มีพลาดเลยเดินวุ่นไปหมดเดินหาสุราเดินหาบุหรี่กันสมัยก่อนก็มีโฆษณาบุหรี่ยี่ห้อหนึ่ง เขาบอกว่าข้าพเจ้าเดิน1ไมล์เพื่อบุหรี่ยี่ห้อนี้ I walk a mile for a camel กค <c oughs> เห็นบุใคเห็นบุหรี่แคลมโมะไหมใ่ไหมดาเดินจริงๆเดี๋ยวถ้าไมล์หนึ่งเลยสิบไมล์ก็เดินถ้าบุหรี่หมด <c oughs> หิวบุหรี <c oughs> ่พวกเราเหิวเหมือนกันเหมือนกับหิวบุหรี่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เรียกบุหรี่ เราเรเรียกว่าภาพยนตร์มากละครมากขนมนมเ น, มนยบ้างเครื่องดื่มชนิดต่างๆอาหารชนิดต่างๆเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องใช้ไม่สอยที่ไม่มีความจำเป็นทั้งหลายเป็นเหมือนเสกเหมือนยาเสพติดทั้งนัน้เองแต่ว่ามันอาจจะไม่รุนแรงพิษของมันไม่ร้ายเท่ากับ สุราหรือบุรี่หรือยาเสพติดอยากจะซื้อกระเป๋าใหม่ๆแต่ยังไม่ได้ซื้อก็ยังยังพอพอทนไหวอยู่ยังพอทนได้ระวังกระเป๋า ก, ก, กับกาแฟนี่อันไหนจะยากกว่ากันกาแฟนี่ยากกว่านะเลือกซื้อกระเป๋ายังพอจะเลือกได้แต่เลือกดื่กาแฟนี่เสิกมันยากกว่า คนไม่ดื่มกาแฟเนี้ยเเดือดร้อนเลยนี่ยไม่มีดื่มก็เฉยเฉยมีเดือมก็เฉยเฉยคนที่เคยเดือมนี่ก็าตื่นช้าขึ้นมาต้องกาแฟถ้วยหนึ่งนะเนี่ความอยากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็เลยทําให้เราอยากอยู่ไม่อยากตายดนั้นเราต้องมา หยุดความอยากวิธีหยุดความอยากก็ทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วความอยากมันก็หยุดไปความอยากอาศัยความคิดถ้าใจคิดถึงขนมถึงกาแฟมันก็อยากขึ้นมาวิธีที่จะทำให้มันไม่อยากก็คิดถึงส่วนตรงกันข้ามกันเวลาคิดถึงอาหารก็คิดถึงอุจจาระยนี เราคิดถึงกุฏละมันก็จะไม่อยากกินอาหารนะครับมันก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอาหารเก่าอาหารที่เรารับประทานใหม่ๆเขาเรียกว่าอาหารใหม่อาหารที่มันอยู่ในท้องมานานแล้วอยู่ในร่างกายมานานก็เป็นอาหารเก่ามันก็เป็นอาหารเหมือนกัน แ, แต่มันจะทำให้เราไม่หิวไม่อยาก มีนักปฏิบัติ บ, ตบางคนเขาพิจารณาอาหารเป็นเป็นอุจจาระจกกนกระทั่งถึงเวลากินอาหารหกินไม่ลงสู้ผอมไปเลยเพราะเวลาจะกินในรายคิดถึงเป็นอุจจาระขึ้นมาทุกทีกินไม่ลงเลยต้องไปกราบถามหลวงตาไปเล่าให้หลวงตาฟังให้ช่วยแก้หน่อยหลวงตาก็บอกว่าถ้ามัน มองแบบนี้กินไม่ลงก็มองว่ามันเป็นธาตุก็แล้วกันเป็นร่างกายก็เป็นธาตุอาหารที่นี่ก็เป็นธาตุเป็นการเติมธาตุเป็นเหมือนกับการเติมน้ํามันให้กับรถยนต์อย่าไปมองว่ามันเป็นอุจจาระนีจะกินไม่ลง<ม>คือบางทีใช้ ย, ยาเกินขนาดมันก็มันก็เป็นผลลายผลเสียหายได้ ต้องใช้ให้พอดีพอดีพอไม่ให้มันอยากแต่ยาไะให้มไม่อยากจนระทั่งกินไม่ลงอันนี้ต้องหยุดยาใช้เยอะก็ใช้ ย, ยาเกินขนาดเวลาอยากกินที่เวลที่เวลามันยังไม่ถึงเวลาจะกินให้ใช้มันเช่นถ้าเราถือสินแปรอย่างเงี้ยตอนตอนเย็นก็อยากจะกินเนี่ยตอนนี้ต้องนึกถึงอุจจาระละหยุดพอนึกถึงมันปั๊บเดียวมันก็หายอยาก เราก็หยุดแล้วพอถึงตอนเช้าถึงเวลากินก็อย่าไปนึกถึงมุจจาละเดี๋ยวจะกินไม่ลงต้องรู้จักวิธีเวลากินยาเขาจะปัญญามีไว้ใช้สำหรับดับความอยากแต่พอถึงเวลาที่ไม่ต้องใช้ดับความอยาก <c oughs> ก็อย่าไปใช้มันเดี๋ยวจะกินไม่ลง ได้ใจไม่ได้ไม่มีแต่จิตและพระรางก็ไม่เขีเยวกตายไปก็เทวดาก็มาฟังเทศฟังธรรมบรรลุธรรมกันถึงได้ได้ก็พระพระพุทธเจ้าก็เป็นเทวดาพระพุทธเจ้าก็ไปเทศโปรดจนได้เป็นโสดาบันขึ้นมาได้เทวดาก็ยังมีจิตมีใจเหมือนเรานะเองแต่ว่าเขามีเขากินอาหารทิพย์เขาก็นึกถึงอาหารทิพย์ ได้ถ้ามีคนสอนหรือว่าถ้าเรามีไฟเดิมอยู่เราก็ปฏิบัติต่อแต่มันอาจจะปฏิบัติไม่ค่อยได้เพราะว่ามันอาจจะไม่มีสิ่งมายั่วยวนเหมือนกับตอนที่เป็นมนุษย์แต่แต่ว่าที่มี่นิจิเทวดาเนี่ยเขาก็มีกีเหมกันก็เหมือนเดิม ใจใจก็ยังมีกิเลสโลภหกองเหมือนกันเพียงแต่ใจตอนนี้ไม่ได้มีร่างกายใจใช้ใช้ร่างทิพย์แทนร่างทิพย์ก็เหมือนตอนที่เวลาเรานอนหลับฝันเนี่ยเวลาเราหลับฝันนี่เรายังฝันว่าเราเป็นนูน่นเป็นนี่อยู่ใช่ไหมเรายังไปนู่นมานี่ยังเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นคนนั้นคนนี้อยู่ใช่ั้มทั้งที่หลับตาทําไมเราเห็นได้ เราไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อแล้วเราเห็นด้วยตาในต่ <Imag ination. S 1> ว่าตาในเป็นอิมเม n ชินเอชเื้ออะไรก็แล้วแต่มันก็มีครบทั้งห้าทวาร mm hmm. เห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสเห็นอะไรหมดตาในนะางั้จะไปรู้เลยว่าเมื่อคืนนี้ฝันกินอาหารอะไรอร่อยเหลือเกินเ mm hmm. <laughs> ป็นอได้นมกิ่นะดอกไม้ อ, อะไรต่างตา่าง มันก็มาตาในมันก็มีมันก็มีวิญญาณห้าชนิดไงจักขววิญญาณมันก็ดูภาพาโสตะวิญญาณมันก็รับเสียงเพราะฉเสียงมันมีสองชนิดเนี่ยาภาพก็มีสองชนิดภาพหยาบ ก, ก็คือภาพที่เราดูผ่านทางตาของร่างกายภาพละเอียดก็คือภาพคิดนีศ ไม่ต้องมีร่างกายอย่าเทวดากับมนุษย์ก็เหมือนกันเยงแต่ว่าภพของเทวดามันสบายตรงที่ไม่ต้องมามีภาระเลี้ยงดูร่างกายเห็อะไรเนี่ยต้องคอยหาอาหารต้องอะไรให้มันอยู่เป็นที่อยากได้แล้วก็เป็นออกมาเพระาะเป็นการานามมีอาจารย์จะดีกว่านะมีบ้า เพราะว่าถ้าไม่มีอาจารย์มันก็เชอเพลิดเพลินกับการเสดกลามเนี่ยมันต้องมีอาจารย์เช่นมีพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมแล้วมีกลุ่มเทวดาที่ฝ่ายธรรมชวนไปฟังธรรมกันถ้าไม่มีเพื่อนชวนไปก็ก็มีชวนมีเพื่อนชวนไปเที่ยวก็จะไปเที่ยวกันแทนถ้ามีเพื่อนฝ่ายธรรมชวนไปเออตอนนี้มีอาจารย์องคนั้นท่านแสดงธรรมอยู่นะ อย่างสมัยหลวงปูม่มั่นนี่ท่านก็แสดงทำให้กับเทวดาได้พวกเทวดาที่รู้ว่ามีพระอาหารหันต์มาแสดงธรรมเขาก็จะไปกราบท่านไปฟังธรรมกับท่านเทวดาก็คุยกันได้มีการถามตอบปัญหากันเหมือนกับพวกเราคุยกันเนี่ยแต่เขาไม่ต้องมีร่างกายเขาใช้ละร่างทิพย์กายทิพย์ อาจารย์ท่านก็ใช้กายทิพย์เวลาท่านแสดงธรรมท่านไม่ได้ใช้ร่างกายท่านไม่ได้พูดออกมาทางปากเวลาท่านแสดงธรรมให้เทวดานี่ท่านใช้จิตล้วนๆ น, นั้นสำหรับผู้ที่ได้บรรลุโสดาบันแล้วได้เห็นอริยาสัจสีแล้วนี้มันเหมือนกับได้ได้หลายเข้าสู่กระแสเข้าไปสู่พระนิพพานแล้ว เขาก็จะปฏิบัติของเขาไปเรื่อยๆเวลาได้ที่ใจเขาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเขาจะใช้ปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ทันทีว่าใจเราตอนนี้อยากกับเรื่องอะไรแล้วเขาจะมาแก้ที่ตัวความอยากตัวเดียวพอพอเป็นพระสวดาบัลแล้วจะรู้ว่าทุกทั้งหมดของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองอันเวลามีความทุกข์ใจนี้เขาจะไม่ไปแก้ที่อื่น ไม่เหมือนเราตอนนี้เราทุกกับสามีแล้วก็ไปแก้ที่สามีไปว่าทำไมเธอทำอย่างนี้ทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นสุดาบันนั่นจะไม่ไปแก้ที่สามีมา แ, แก้ที่เราเขาเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยเขาเป็นไปสิไปวุ่นวายกับเขาทำไมแล้วเกิดแก้ไม่ได้จะทำยังไงเกิดก็ไม่ยอมทาตามที่เราบอกเขาจะทำยังไง เราก็ต้องทำใจอยู่ดีเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็แล้วกันเขาจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาไปก็แก้ปัญหาทางใจไปไปแบบนี้ไปเรื่อยๆขั้นโสดาบันนี่มันก็จะไปมีปัญหาตอนเห็นรูปสวยงามๆเห็นคนหล่อเห็นคนสวยเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาโสดาบันก็ต้องหาวิธีแก้แล้ว เห็นภาพสวยก็ทําให้เกิดอารมณ์ก็เหมือนกับเห็นอาหารก็เกิดความอยากกินใช่ไหมก็ต้องไปเห็นภาพไม่สวยเยพอเห็นภาพไม่สวยมันก็ไม่อยากจะมีการอารมณ์เห็นคนเป็นมันมีการอารมณ์ก็ไปดูคนตายเลยอัสสุภะให้ดูคนตายพอเห็นคนตายแล้วอยากจะไปนอนกับคนตายไหมสามีคนตายมันจะเก็บไว้ที่บ้านไหมตอนนี้ยังเก็บไว้ได้อยังมีลมหายใจใช่ไหม พอไม่มีลมหายใจแล้วบายบายไปหาอันเดอร์เทเอร์ได้แนละ้วเนี่ยเขาก็จะแก้ปัญหาของเขาไปถ้าถ้ามีคนสอนก็ง่ายหน่อยเร็วหน่อยถ้าไม่มีคนสอนก็จะหาวิธีค้นไปค้นมาเราเห็นภาพนี้มันมันเกิดอารมณ์ถ้าเรามองภาพตรงกันข้ามกันมันจะดับมันได้มันก็ใช้ปัญญาคิดไปเดี๋ยวมันก็ได้เอง แล้เดียวมันก็ตัดการมาลมได้เป็นพระอนาคามีได้แต่มันก็ยังมีความทุกข์อยู่กับเรื่องอื่นอีกมันก็ไปแก้ต่อไปมันก็แก้แบบเดียวกันแก้ที่ความอยากทั้งนั้นปัญหาของใจนี่อยู่ที่ความอยากเพียงอย่างเดียวแต่มีมีความอยากหลายแบบหลายรูปหลายเรื่อง ระดับของโสดาบันนี่ก็ของปุถุชนนี่ก็คือเรื่องของความเจ็บความตายนี่แหละพอแก้เรื่องของความเจ็บความตายได้ก็เป็นโสดาบันแล้วไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเพราะเห็นว่ามันต้องเจ็บมันต้องตายไปอยากให้มันไม่เจ็บก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงมันได้อยากให้มันไม่ตายก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันมันก็ต้องเจ็บต้องตายเหมือนเดิม แต่มันจะทุกข์ถ้าไปอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายถ้าไม่ทุกข์ถ้าไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันไม่ตายกไ็ไม่เดือดร้อนก็สบายก็พ้นทุกข์ไประดับหนึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวก็ไปทุกข์กับร่างกายสวยงามต่างๆเราต้องดูร่างกายที่ไม่สวยงามมันก็มีมันก็ผ่านไปเรื่อยๆ ชั้นสูงขึ้นไปของความสุขทางใจความสุขทางใจมันก็เป็นสิ่งที่ไปอยากไม่ได้เพราะมันก็ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมเวลามันเสื่อมอยากจะให้มันเจริญก็ทุกข์เวลาอยากเวลามันเสื่อมอยากให้มันไม่เสื่อมก็ทุกข์ขึ้นมามันจะรู้เองเวลาไม่สบายใจนี้มันจะถามตัวเองว่าตอนนี้อยากกับอะไรแล้ว ล้าก็ไปตัดความอยากตัวนั้นให้ได้ทุกเกี่กับเรื่องเงินก็อย่าไปหาเงินมาทุกกีับเรื่องเงินก็ตัดเสียอย่าไปใช้มันอย่าไปอยากได้มันอย่าไปเสียได้มันมันจะไปก็ให้มันไปมันจะมาก็ให้มันมาเราไม่ต้องมีมันก็ได้ใจไม่ต้องมีอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างใจหลงไปไปเพึ่งมันเองไม่ต้องมีกาแฟไม่ต้องมีขนมพอไปเพิ่งมันแล้วก็เหมือนกับคนติดยาเสพติดยาเสพติดก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องเสพกันทําไมเขาไปเสพกันทําไมพอหลงเครียาเสพแล้วมีความสุขกันใช่ไหมบางคนเวลาเครียดเนี่ยก็ไปเสพยาเพื่อคลายความเครียดกัน สาเหตุของการเสพยาส่วนใหญ่ก็เรื่องของการคลายความเครียดนี่แหละสุรานี่ก็ช่วยคลายความเครียดดื่มแล้วมันเมาแล้วก็ลืมเรื่องปัญหาไปแต่มันติดพอคราวหน้ามีเจอความเครียดก็ต้องเสพอีกแล้วต่อไปไม่มีความเครียกก็ก็เมื่อเสพแล้วก็ต้องเสพไปเรื่อยๆพอไม่ได้เสพก็เครียดขึ้นขึ้นมาแล้ว ดังวิธีแก้ปัญหาของใจนี้ต้องปล่อยต้องไม่ไปพึ่งอะไรมาแก้ปัญหาพึ่งกำลัง Wil เพาเวของตัวเองนะจะต้องฝืนความอยากทุกชนิดต้องไม่ทำตามความอยากทุกชนิดแล้วใจก็จะสบายเมื่อไม่มีความอยากมาลบกวนมีกาแฟรหรือไม่มีกาแฟก็ไม่มีปัญหา มีบุหรีหรือไม่มีบุหรีก็ไม่มีปัญหามีสุราหรือไม่มีสุราก็ไม่มีปัญหามีแฟนหรือไม่มีแฟนก็ไม่มีปัญหาตอนนี้อยู่คนเดียวได้ยังได้แฟนใหม่แล้วนะก็ทิ้งแฟนเก่าได้สิ ฟังเข้าใจไหมส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่เข้าใจเนี่นปัญหาอยู่ตรงที่การหยุดใจหยุดความอยากสิ่งที่ต้องหยุดความอยากสิ่งที่จะทำให้ความอยากหยุดได้ก็คือสติถ้ามีสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็จะไปคิดถึงเรื่องอื่นไม่ได้ไปคิดถึงแฟนก็ไม่ได้ไปคิดถึงกาแฟาก็ไม่ได้ไปคิดถึงบุหรี่ก็ไม่ได้ถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวมันจะไปที่อื่นไม่ได้ เวลามันจะไปที่อื่นเนื่อต้องดึงให้มันอยู่กับพุโทโธยอมขาดใจตายไปกับพุโทโธเลยไม่ได้พุโทโธไปทั้งวันตลอดเวลาหรอกพอความอยากมันหยุดเราก็หยุดพุดโทโธได้พุโทโธก็เหมือนเบรกรถยนต์เนี่ยถ้ารถมันไหลเราก็เหยียบเบรไว้มันจะได้ไม่ไหลพอมันไม่ไหลแล้วเราก็ถอนเบรคออกมาปล่อยเบรคได้ถ้ามันไหลอีกเราก็เหยียบอีกแคงมีเท่า น, นั้นถ้าใจไปคิดถึงสิ่งเสพติดต่างๆไปคิดถึงลาบยอะ คิดถึงรูปเสียงกลิ่นล้ยก็เบรกมันเสยอย่าให้มันไปคิดถึงรูปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มันก็ไม่ไปแล้วไปไม่ได้แต่มันยังไปได้อยู่ถ้าเราเบรกเราแตกขึ้นมาเมื่อไหร่สติแตกเมื่อไหร่ก็ไปได้อยู่เพราะเบรกนี้สตินี้ยังไม่ได้ทำลายมันอย่างทาวนเพียแต่จับมันมามัดไวเหมือนเชือก ถ้าเชื่อขาดมันก็ไปต่อได้ถ้าจะไม่ให้มันไปอย่างถาวรจะฆ่ามันจะเชือดคอมันฟันคอมันนั้นต้องใช้ปัญญาปัญญาจะบอกว่าอย่าไปไปหาความทุกข์ไปทำไมแกลง้ลงเท้าไปหาเสียนทำไมอยู่เฉยๆดีแล้วแต่กิเลสจะมาหลอกว่าไม่ดีต้องมีแฟนถึงจะดี มีแฟนถึงจะมีความสุขพออยู่คนเดียวมันเหงาถ้าถ้าอยากให้หายเหงาจริ ง, รงๆก็ไปทําใจสงบเสียอย่าไปคิดถึงแฟนเดี๋ยวมันก็หายเหงาวิธีแก้ต้องแก้ด้วยสมาธิด้วยความสงบปัญญาจะบอกวิธีแก้ว่าอย่าไปแก้อย่าไปทําตามความอยากเาการไปทําตามความอยากจะทําให้ติด เราก็ต้องมีต้องทำอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้ทำก็ทุกเวลาเสียสิ่งที่ได้มาก็ทุกแตถ้ามีปัญญาสอนอย่างนี้ต่อไปมันก็จะไม่ทำตามความอยากถ้าเรารู้ว่าที่เราปวดศีรษะเพราะว่าเราเอาเอ า, เอาของแข็งมาทุบศีรษะเราเนี่ยเราพอเรารู้เราก็หยุดทุบใช่ไหม แต่ถ้าเราไม่รู้เช่นเราตาบอดเนี่ยเราค้อนเอาไม้มาทุบศรีรษะแล้วแล้วก็บอกปวดหัวปวดหัวแต่ไม่รู้สาเหตุว่ามาจากที่ไหนคนตาดีเขาเห็นก็บอกว่าที่คุณปวดศรีรษะเพราะาคุณเอาไม้เนี่ยทุบศรีรษะคุณอยู่คุณไม่รู้เหรอคุณหยุดทุบสิพอหยุดบ้ามันก็หายที่คุณทุกข์ใจก็เพราะความอยากนี่แหละคุณหยุดความอยากสิอย่าไปทําตามความอยากแล้วคุณจะไม่ทุกข์ น, นี่คือปัญญาต้องเห็นว่าความยากความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากวิธีแก้ก็คืออย่าไปทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปหาไม่เชื่อลองดูลองเลิกกาแฟดูสิทุกครั้งที่มันอยากดื่มไม่ดื่มหรืจะถ้าจะดื่มชงมันแล้วก็เทเททิ้งไปดื่มแล้วดื่มโดยที่ไม่ต้องผ่านร่างกาย ก็ได้หนึเหมือนกันเนะี่ยถ้าชงปั๊บใส่เข้าไปร่างกายเนี่ยมันก็ฉี่ออกมาเหมือนกันฮนะแล้วก็ชงปั๊บก็เทใส่ส่วงไปมันก็เหมือนกันกนะ็ไปรัดขั้นตอนไม่ต้องมาผ่านร่างกายให้เสียเวลาอยากจะกินกาแฟาก็ชงชงใส่ก็ไปฉี่เลยมันก็กลายเป็นฉี่ไม่ใช่นะถ้าทำํำยังไม่กี่ทีมันก็เลิกมันก็ไม่มันก็ไม่ดื่ ม, มแลกาแฟ ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ความอยากของเราเนทะ่านั้นอย่าไปแก้ที่อื่นนะถ้าแก้ที่อื่นแล้วแทนที่จะแก้กลับไปมัดให้มันแน่นขึ้นนะคนแก้ปัญหาด้วยการไปเสพไปดื่มไปดื่สุราก็เพิ่มปัญหาเพิ่มอีกขอ้ออันละ ไ, ไปเสพยาเสพติดก็ไปเพิ่มปัญหาก็้อนอะีกแล้วไปหาไปมีแฟนใหม่ก็เพิ่มปัญหาขึ้อนอะีกแล้วมีแฟนคนเดียวมีปัญหาไม่สบายใจกับแฟนคนนี้ก็ไปหาแฟนใหม่อีกคนนะ เพิ่มเป็นสองแฟนก็เป็นปัญหาเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เป็นวิธีแก้วิธีแก้ต้องเฉยๆต้องอย่าไปทําตามความอยากมานั่งสมาธิแทนเพราะถ้าไม่นั่งมันทนไม่ไหวถ้านั่งสมาธิใจสงบแล้วความอยากมันก็จะหายไปอย่ามีต้องมีทั้งสองอย่างต้องมีสมาธิต้องมีปัญญา ปัญญาคือเห็นว่าทเห็นโทษของความอยากเห็นว่าการกระทําตามความอยากไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแต่เป็นการสร้างปัญหาแวิธีที่จะฝืนความอยากได้ก็ต้องทําใจให้สงบถ้าใจไม่สงบนี่มันทนไม่ไหวอะปัญญาจะบอกยังไงเห็นมพ่อแม่สอนลูกว่าลูกอย่กไปเลยไอคนนี้ผู้ชายคนนี้มันไม่ดีหรอกเดี๋ยวก็หนีไปจนได้ พอไม่ได้ไปแล้วมันเครียดมันทุกข์ความอยากไปมันทำให้ไม่ฟังพ่อฟังแม่แต่พ่อแม่ก็เหมือนปัญญาปัญญาก็บอกอย่าไปทํามท้าความอยากเลยแต่มันทุกข์มันทนไม่ไหวพอได้ทำตามความอยากปั๊บความทุกข์มันหายไปชั่วคราวแต่มันไม่หายไปอย่างเท้าวอนเท่านั้นเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่ ก็ต้องทุกเอกรอบเนึทุกไปเรื่อยๆดังนั้นวิธีแก้ปัญหาไม่ได้แก้ด้วยวิธีทําตามความอยากต้องแก้ด้วยการไม่ทําตามความอยากด้วยการเข้าไปนั่งสมาธิแทนเวลาเกิดความอยากก็ไม่เดิมไ ป, ไปนั่งสมาธิกว่าทําใจให้สงบพุทธโธพุทธโธอย่าไปคิดถึงการเดือบเดี๋ยวมันก็หายไปเอาความอยากให้ไปใจก็เบาสบาย เอมันอยากเอง ก, ก็ทําแบบนี้ไปเดี๋ยวต่อไปความอยากมันก็หมดกําลังเองไม่เกี่ยไม่เกี่ยรอบดังนัคนก็จะเลิกบุหรี่ได้ไงใช่ไหมเลิกสุราได้ไงก็เลยกก็เพราะว่าเขาเนี่ยใช้วิวเพลเวอร์กันเท่านั้นต้องไม่ทำนั่นเองเมื่อไม่ทําแล้วมันก็มันก็ความอยากมันก็ไม่มีอํำนาจต่อใจเราแต่ถ้าใจเราไม่มีวิวเพลเวอร์ใจเราอ่อนเนี่ย อยากที่ไลายไปต้องไปเพราะเหมือนกับเทียนเจอไฟนี่มันมันอ่อนปวกเปลกไปหมดเลยเทีนเจอความร้อนเนี่ ย, ยเราโชคดีเราไม่ต้องมาค้นคว้าปัญญามีพระพุทธเจ้ามาค้นคว้าให้เราแนละ้วแต่สิ่งที่พระเจ้าทำให้เราไม่ได้ก็คือสมาธินี่นะั่นี้ ที่เราต้องมาปฏิบัติกันก็มาปฏิบัติสมาธินี่ปัญญาเรายืมของพระพุทธเจ้ า, าชับมาใช้ได้แล้วเหมือนเหมือนพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ก็สายความรู้ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเบิกบุกเบิ ก, บกใช่ไหมอย่างไอแซคนิวตันนี้ไอคณควาแรงดึงดูดของโลกนี้ทำไมแอปเปิลมันไม่มันไม่ลอยขึ้นไปทำไมมันตกลงมา แ, แสดงว่าต้องมีแรงดดูดเป็นลงมาก็ได้ความรู้แล้วว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างติดอยู่กับผิวดินนี่ก็เพราะว่ามีแรงดึงดูดแต่ถ้าอยากจะให้มันลอยก็หาวิธีหาหาแรงสร้างแรงดึงมันขึ้นไปสิเ <c oughs> ขาก็เลยหาวิธีสร้างแรงดึงสิ่งที่ถูกความดึงดูดของโลกดึงไว้เขาก็เลยสร้างเครื่องบินสร้างจรวดได้สร้างเครื่องยนต์ที่สามารถที่จะมีแรง ดึงให้ร่างกายลอยขึ้นไปได้ให้สิ่งของต่างๆลอยขึ้นพื้นจากดินได้ถ้าแรงดึงขึ้นมันมีมากกว่าแรงดึงลงมันก็มันก็ลอยใช่ไยมง่ายๆแค่นี้เองแต่คนที่จะคิดอย่างนี้ได้คนแรกเนี่ยมันไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายนะคนที่บอกว่าโลกมันกลมมันไม่แบนเนี่ยเห็นไมทำไมก็คิดได้พวกนี้ก็ช่างคิดกัน ช่างคิดช่างคน้นช่างควา้าช่างหาช่างศึกษาใช้หลักตร ก, กะเป็นหลักก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าส่องกล้องดูดาวดวงไหนมันก็กลมหมดนะทำไมโลกนี้มันจะมาแบนได้ไงเโลกนี้มันก็เป็นดาวดวงเหมือนกันใช่ไหมแต่เขายังพิสูจน์ไม่ได้ก็ เ, เลยต้องพิสูจน์สองคนนั่งเรือออกไปเลยไม่ต้องกลัวตกขอบขอบทะเลเหรอกนั่งไปเถอะ ท่านละไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะกลับมาที่เดิมนี่แหละเขาก็นายที่สุดก็พิสูจน์ได้ว่ามันกลมใช่ไหอวิ่งไปทางตะวันตกเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะกลับมาที่เดิมเนี่ยเราอาศัยความรู้ของคนเหล่านี้มามาเป็นเป็นเครื่องมือพัฒนาความรู้ต่างๆของเราเึ้นมาเท่เาเล็กเท่าน้อย ทำันนี้เด็กมันชัมันเก่งจะตายมันมันใช้เครื่องมือถือได้เก่งกว่าผู้ใหญ่ใช่ ไ, ไหมแอปอะไรมันทาอะไรมันทาได้หมดผู้ใหญ่เรานี่งงเลยทาอะไรกันยังไงเพราะเราไม่มีเวลามาศึกษาเด็กมันมีเวลาว่างมันก็ศึกษามันเป็นเหมือนของเล่นด้วยมันก็เลยรู้ไวเรียนไวนี่คือปัญญาต่างๆ พวกเรานี่มีปัญญาของพระเจ้าสบายแล้วรู้แล้วว่าความอยากเป็นต้นเหตุของปัญหามาหยุดความอยากกันที่ไม่มีที่หยุดไม่ได้เขาเพราะไม่มีกาลังกำลังหยุดไม่มีกำลังหยุดก็คือ ส, สมาธิหรือสติเนี่ยไม่มีปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของความอยากอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเด็กมันกลับมาเลย พออยากปั๊บต้องทําทันทนะีอยากซื้อของปั๊บซื้อเลยถ้ามีเงินปั๊บนี่หมามั็นไวเห็นอะไรปั๊บหน้าซื้อซื้อเลยบางทีไม่มีเหตุมีผลในการซื้อซื้อได้ซ้ําไปไม่รู้ว่าซื้อมาทําไมซื้อได้ซ้ําไปขาดแคลนนี่ก็ไม่ขาดกระเป๋าก็มีอยู่หลายใบรองเท้าก็มีอยู่หลายคู่เครื่องใช้ไม่สอยหลไรก็มีอยู่เยอะแยะไปหม แต่พอเห็นปับ๊บมันอยากซื้อขึ้นมาทันทีเนี่ยไม่มีสติยับยังไม่มีปัญญายับยังตอนนี้เราโชคดีถ้าไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีวันรู้วิธีแก้ปัญหาของเราได้เราก็อยาทำตามความอยากเพราะเวลาเราไม่สบายใจเพราะความอยากพอเราได้ทำตามความอยากความไม่สบายใจก็หายไป เราก็เลยคิดว่าอ๋อนี่คือวิธีแก้อยากดื่มกาแฟาก็ต้องดื่มเพราะถ้าไม่ดื่มมันจะไม่สบายใจพอได้ดื่มแล้วมันก็หายสบายมันก็สบายใจขึ้นมาแต่มันเป็นวิธีแก้แบบยืดเยื้อแก้ไปเรื่อยๆ อ, อยากดื่มถ้วยนี้ก็ดื่มพอดื่มแล้ก็สบายใจแต่เดี๋ยวความอยากจะดื่มถ้วยใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาก็ต้องดื่มอีกมา แล้วพอไม่ได้เดมก็ยิ่งไม่สบายใจใหญ่แล้ว <c oughs> เรามาหยุดความอยากกันนะถ้าอยากเลยอะถ้าเราอยากจะ <c oughs> แก้ปัญหาของเราอย่าไปทำตามความอยากทาตามเหตุตามผลได้เพราะไม่ยังเรายังมีความรับผิดชอบกับร่างกายของเราอยู่เช <c oughs> ่นถึงเวลารับประทานอาหารก็ต้องรับประทาน รับประทานเหมือนรับประทานยาเราไม่เคยรับประทานยาด้วยความอยากอันนี้นะไม่ใช่นึกออยากจะกินยาเมาหอังกินอย่างนี้เราก็ดูเวลาตามหมอสั่ง อ, อาหารก็เป็นเหมือนยาชนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าก็สั่งว่ากินหนเดียวก็พอยาชนิดนี้ไม่ต้องไปกินมากกินหนเดียวก็พอกินมากกว่านั้นเรียกว่ากินได้กินตามความอยาก ดื่มน้ำก็เดือดเอาน้ำเปล่าไม่ต้องมีสีมีกลิ่นมีรสร่างกายต้องการน้ำขาดไปได้ต้องมีน้ำให้ร่างกายแต่ร่างกายขาดสีขาดกลิ่นของกาแฟาได้ขาดรสของกาแฟาได้ขาดรสของน้ำตาลได้ไม่ต้องมีรสมีกลิ่นมีสีเอาน้ำเปล่าเป็นยาแท้จริงถ้าดื่มน้ำเปล่าๆนี่เหมือนดื่มยา ลองไปพิจารณาดูไปคิดดูว่าสิ่งไหนที่ร่างกายต้องการสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายก็อย่าไปให้มันอยู่ก่อกนะสตัมติงจะถามอะไรเลย <c oughs> จะถามหรอคือแล้วถ้าความแบบไม่อยากทำอะไรเลย่ะคะที่เกียดอย่างนี้ค่ะะแก้ ทถ้ามันไม่อยากทําอะไรได้ไปตลอดก็ดีสิกลัวมันไม่อยากทําตอนที่เราต้องทํำเวลาไม่เวลาต้องทํากับไม่อยากทํำเวลาไม่ต้องทําไปอยากทําเนี่ยมันไปอยากผิดเวลามันต้องอยากให้ถูกเวลาก็ดีถ้าไม่อยากทําอะไรเลยก็ดีไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่ต้องอะไรปล่อยให้ร่างกายมันตายไปเมไรถ้าทําได้ก็สบายไม่ทุกกับการเลี้ยงดูร่างกายต่อไป กลัวมันไม่อยากเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิมันเบื่อเบื่ออยากอยากใช่ไหมบางเวลาก็เบื่อบางเวลาก็อยากเห็นถ้าไม่อยากก็ให้มันไม่อยากไปกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เลือกไม่อยากเรื่องนี้ไม่อยากแต่เรื่องนั้นอยากขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ถูกถ้าจะไม่อยากก็ไม่อยากกับทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยปล่อยให้ร่างกายนี้แก่เจ็บตายปล่อยให้มันตายไปเไม่อยากกินไม่อยากดื่ม มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปถ้าไม่อยากแบบนี้เรียกว่าถูกต้องไม่ทุกข์ก็มาครึ่งทางแล้วหนึ่งชั่วโมงก็จะพักให้พรก่อนยังไงลูกกลับมาแล้วเหรอ ปิดเทอมแล้วแหละเดีกล้จะเปิดแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวเอหน้าก็เปิดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี้ขึ้นชั้นไหนนะชั้นสุดท้าเลยชั้นสุดท้ายเลยเราจะเข้าเลยหรือว่าจะมีแก๊บเอียก่อนเข้าเลยนะเรามาที่เอาไปยังอยู่ป่ะจากไปแล้วเลย จะซื้อใหม่หรือเปล่าก็คิดว่าให้เขาเยัจบเรียนจบก่อนนะเพราะว่าถ้าเขาขีดจะได้ดูแลเองจริงๆไม่ต้องไปฝากเลยตอนนี้ถ้าขี่ก็อาจจะอาจจะ<ป>เ่ อ, เอไปเช่าเขาก็ได้นะใช่ เ, เพราะว่าเขาเองก็งเรียนเยอะค่ะใช่มีภาระมันมีลูกแลวเปล่า ม, มีมากเราก็เราไม่เร า, ไ ม, เราไม่สามารถจะดูแลเขาไ ทางนี้ด้วยได้ได้เกิดดีกับปีที่แล้วยังรออยู่ค่ะยังไม่ทราบเลยสิบแปดนี้ประกาศเพราเขาสอบเป็นแบทั่วทั่วโลกพร้อมกันโอ้โหเกิดปะเดียกักะเ้วหนูอยู่ชั้นไหนละชั้นสี่ชั้น4ี่เรียนที่บางกอกพัฒนาเลยใช่ไหมั้นสี่ค่ะ How's grade? a o i n g u year five. Year five, yeah. i e Understand. That one, a s s h year t h grade. Yeah. o t h grade. Uh, grade. Yeah, t h grade. So, what you plan want to major in? Neu Neuroscience. Science. You have to be a, a doctor first. No. You have to s t d y You have to study medicine first. Well, no, not n e c e s s a r i y It's more like biology science. Ah. Uh -huh. Okay. l e me know s m t h i n g Okay. o k a o a y o o a a y y Okay. o e a y o n o a y o o k o a a y ถ้าก็าสอนมีคนเรียก็สแสดงว่าก็ต้องมีมีทางไปต่อเป็ น, ป น, นวิชาที่ค่อนข้างใหม่อย่ยงก็ทางนิวโรอะี้อย่า ง, างเงอ้ยทำหมอมาที่แล้วที่มันถวายเพตาอถวายจังไห้แล้วค่ะติดใจติดใจนะาจากจะมาอีกเนีย บอเฮยมาพักพัทยาเราจะไปถวายจังหันจะไปเอาหารที่ไหนไม่มีครัวาำข้าวจังก็ได้สั่งตามร้านได้แต่ว่าเวลาถวายเราอยากทงเองค่ะาา ก, ก็ไม่รู้ว่าอ้าวใชา่ยังไงแถว น, นี้เราก็ไม่ค่อยเป็นร้านอาหารก็จะไม่เปิดเช้าก็ก็กินได้ทั้นั้ น, น่ะเหมือนเหมือนกันโรงแรมก็ถ้าอยู่พักที่โรงแรมสั่งที่โรงแรมก็ได้อบอกเข้า ก็ต้องพยายามตั้งใจเรียนนะการเรียนนี่สำคัญเพราะเราจะได้มีความรู้มีความสามารถในการเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเราเองได้เพราะเราไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาจะเลี้ยงเราไปได้นานได้เท่าไหร่เราต้องพึ่งตัวเองแต่เราอาจจะเลี้ยงดีกับพ่อแม่เลี้ยงเราเ อาจจะได้ของที่เราอยากได้มากกว่าของที่พ่อแม่ให้เราอีกก็ได้ันอยู่ที่ตัวเราเ <Maybe check. S 1> พราแม่เขาก็ให้ได้เฉพาะของเบสิกของที่จำเป็นของที่นอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ก็ต้องหาเอาเองจะหาได้ก็ต้องมีงานที่ดีจะมีงานดีก็ต้องมีความรู้ เรียนให้จบด็อกเตอร์ไปเลยไว้ไหมล้อกแต่เขาก็บอกแม่บอกบอกเขาว่าแม่ขอโทรแล้วกันหลังากนั้นเลี้ยงแต่พวกดนตรเนี้เขาเรียนเยอเซียจีนใช่คะนี่เป็นดนรีแสามปีโคปีเดียวเพราะงถ้าเรียนสี่ปีก็ได้โชว์แล้วเพราะว่ามองลายเขาหนึ่งยาวไม่สาดที่ไม่สต๊าค่า เขาไม่อยากจะไม่ใช่ไหมทุ่มเลค่ะน้ำสเปรย์เด right> ี๋ยวต้องต่อเลยเปล่าคะก็ต่อก็ถ่ายทออยู่ตลอดเวลาถาอยู่ตออยู่แล้วจริงสิคะไม่เป็นไรครับอย่างนี้ไม่ต้องสั่นละสองชั่วโมงรว่นได้เออวันนี้เมื่อกี้ได้ได้ชั่วโมงหนึ่งก็เลยพักใข้ผ่อน แล้วเดี๋ยวก็คุยธรรมะต่อเดี๋ยวก็จะให้ทางบ้านถามเข้ามามมเวลาไปอยู่ที่นูน่นวินทีเขาก็เหมือนกับเพิ่งเคยไปอยู่คนเดียวค่ะ<ม>ก็วันทีจิตใจก็สับสนเจาปังหาต้องแก้เองประจัาานีี ทำประเทศหน่อยได้ไคะเวลาจิตใจสับสนไี่จะทำยังไงอะไรเจอปัญหาต้องแก้เองก็เลือกทางที่ที่ถูกที่ดีแต่บางทีใจเรามันชอบทางที่ไม่ถูกทางที่ไม่ดีเราต้องแก้ปัญหาเพื่อให้เราได้ศึกษาต่อไป อะไรถ้ามาเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาก็ตัดเป็นทิ้งไปเอาการเรียนมาก่อนต้องจัดลำดับความสำคัญคค <Yeah. S 2> ก็เมื่อกี้ก็ให้พอรอแล้วก็ <S <S ให้พรสั้นๆว่าขอให้มีความสุขความเจริญความสำเร็จในการศึกษาและในการกระทําอะไรต่างๆขอให้มีความ ความพยายามความอดทน yeah. แล้วสิ่งต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาเ h e r e ู่วิวเดินสู่เอ่ย don't be lazy alright okay, now. Right, okay. Yeah. I like home t o d a see you next time yeah, <Okay. S 3> how was your breakfast today Good. Mm. Coming again? <laughs> yes. n o ้ this is open f o า the villagers to questions. y o u t u b e How ว How many? How many? How many? How many? How many? How many? How many? How many? How many? าารู้สึกวันธรรมดาจะมากกว่าสาวที่ไมมาทกป่าเพราะสาวทย์แบ่งมาที่นี่นวยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยครับาารเขาต่อไปเป็นคำถามจากทางข้อความนะครับจากคุณสติมานะครับมีข้อสงสัยในปัญหาธรรมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อภาวนาจนจิตเห็นชัดเจนเห็นจิตชัดเจนจับความ ร, รู้สึกได้อยู่บริเวณหน้าอก ในขณะภาวนามีอาการเจ็บปวดเหมือนนั่นหน้าอกมาสามวันแล้วควรจัดแก้สภาวะนี้อย่างไรคะและเกิดจากอะไรถ้ามันเป็นเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิก็มันเป็นกิเลสสมานแล้วก็อย่าไปสนใจพยายามให้มีสติอยู่กับการภาวนาของเราไปการใช้ลมก็ให้ดูลมไปพุโทโธก็พุโทโธไป มันเป็นครเรียกว่าเป็นการต่อต้านของกิเลสมันไม่ยอมให้ใจสงบแต่ถ้าพอใจสงบแล้วอาการเหล่านี้ก็จะหายไปจากท่านเดียวกันนะครับเมื่อเราภาวนาพุโทโธจนพุโทโธเป็นอัตโนมัติและเห็นจิตชัดเจนเราควรทำอย่างไรต่อเมื่อทาการเห็นจิตนะการภาวนาพุโทโธนี่ก็ให้จิตสงบให้จิตให้นิ่ง ถ้าจิตยังไม่สงบยังไม่นิ่งยังไม่รวมก็ต้องพุทโธต่อไปคำถามข้อต่อไปจากคุณดิวลีนะครับแนะนำบิดามารดาในทางธรรมแต่มีเจตนาเพียงว่าอยากให้พ่อแม่ปล่อยวางกับความทุกข์นั้นเท่านั้นอยากทราบว่าจะบาปไหมครับที่ตนเป็นลูกแต่ไปให้ทำบางสิ่งบางอย่างกับพ่อแม่ มันก็อยู่วิธีการของเราว่าเราพูดยังไงทำอย่างไรถ้าเราพูดในลักษณะที่มีความเคารพไม่ได้ไปสั่งไปสอนแล้วก็เขายินดีที่จะฟังถ้าเขาไม่ยินดีก็ไม่ควรที่จะไปพูดคาถาม จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับดิฉันมักจะฝันซ้ําๆบ่อยๆว่าได้ไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนแล้วหาทางกลับบ้านไม่ถูกเหมือนหลงทางจนตกใจตื่นเป็นแบบนี้บ่อยมากจึงอยากกลาบเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นเพราะอะไรและจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรเอามันก็เป็นวิบากของเรานะ่ยความฝันนี้มันก็เป็นเรื่องของวิบากเราก็แก้อะไรไม่ได้นอกจาก ทำใจปล่อยวางให้รู้แล้วก็ปล่อยวางคิดว่าเหมือนดูภาพยนตร์ไปก็แล้วกันคำถามจะคุณวัฒนานะครับตอนเช้าหากผมอาดทีฐานแผ่เมตตาให้แก่ผู้ป่วยแล้วตักบาตรผู้ป่วยเขาจะได้รับไหมครับออผู้ป่วยนี่ไม่สามารถรับบุญที่เราทำได้เพราะว่าบุญนี้อุทิศให้กับผู้ตายได้เท่านั้น ผู้ที่ผู้ป่วยอยากจะได้บุญก็ต้องใส่บาตรเองต้องทําบุญเองคําถามข้อต่อไปจากพนมพรนะครับคุณพนมพรนะครับเราไปทําบุญที่วัดแล้วเราไปรับประทานอาหารที่เหลือจากพระจะมีผลต่อการทําบุญของเราไหมครับช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับคือเราไปวัดเนี่เราไปเพื่อให้เป็นหลักเราไปเพื่อละความอยากครับ แต่ถ้าเราไปแล้วเรามีเป้าหมายอยากจะรับประทานอาหารของวัดนี้มันก็เป็นการาสวนกระแสสวนกับเจตนาลมที่แท้จริงการไปวัดเพื่อไปให้ไม่ได้เพื่อไปเอาแต่ถ้าทางวัดมีของเหลือมีของแจกจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ไม่เสียหายแต่ต้องดูที่ใจเราว่าเราอยากได้หรือไม่อยากได้ถ้าอยากนี่มันเป็นกิเลสทันที ่ถ้าไม่อยากแล้ว เ, เขาให้มานี่รับได้ข้อที่สองนะครับเราไปเลี้ยงปลาขายส่งให้พ่อค้าแต่เราไม่ได้ค่าขาวเราจะบาปและผิดศีลข้อปนาบติบาศไหมครับเราขายส่งหมายถึงว่าเป็นคนส่งปลาไปให้เข า, ขาไปให้เขาตามตลาดนะคบอาจารย์เป็นคนส่งอย่างเดียวเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงส่งขายส่ง เลี้ยงปลาด้วยครับเลี้ยงปลาแล้วขายให้เขาพิธีีแล้วเขาเอาไปฆ่าหรือเปลาเอาไปฆ่าครับอฆ่าก็บาปนะ เ, เราไม่บาป แ, แต่คนคนคนที่ฆ่าบาปแต่เป็นอาชี่ที่เราไม่ควรทําเพราะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนอื่นทําบาปนะคําถามจากคุณจูนนะครับพี่ที่ทํางานฝากถามค่ะเขาเห็นนิมิตเป็นบุคคลที่จะไล่มนดํา คาถาสายศาสตร์ตอนหลังเขารู้ตัวแล้วว่าเป็นความคิดของเขาเองเดิมทีเขานั่งสมาธิท่องนโมตัสสะและเดินจงกรมเขาอยากทราบว่าเขาควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปก็ควรที่จะให้มีสติอยู่กับการสวดของเราไปเรื่อยๆเพื่อทําใจให้สงบนะส่วนอะไรจะเกิดขึ้นให้เรารับรู้ก็ให้พิจารณาว่าเป็นตายลักษ์ไป เป็นอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราปล่อยวางเขาไม่ไปมีความอยากอะไรกับเขาเราก็จะไม่ทุกข์วันนี้คำถามหมดน้อยอแลยวดีมีไหดีน้อยๆดีจะได้ ม, นะมีเรื่องอื่นคุยต่อสนนาไปถ้าเกิดว่ามีมาใหม่ก็เดี๋ยวจะบอก้วน้นครับคุณธรรม กำลังกำลังพิมพ์กันอยู่เตอนนี้เพราะไม่อยากจะพิมพ์เข้ามาก่อนเดี๋ยวกลัวจะไม่ได้อ่านเพรต้องรอให้มันหมดแล้วเขาพิมพ์ปั๊บนี่เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวก็เข้ามาแล้วไม่เกินนาทีหนึ่งอะเดี๋ยวข้ามาแล้วเข้ามาแล้วถามเลยเขาที่แรกทีมานี่ฮะยองยองก็มามย่ายองเน่ยภาวนาสองชั่วโมง แต่ว่าเดี๋ยววันลกขึ้นแล้วก็ไปห้องน้ำแล้วก็ไม่ติดต่อกันนะคะเงียบฉันก็บอกว่าให้ไปติดต่อกันทำนั่งเป็นเลื่อนเป็นสองชั่วโมงนะคะแล้วก็ไปทดลองว่ามันเวิร์กไหมป้าก่าวว่ามันเวิร์กดีมากก็ดีไงถ้ามันติดต่อกันความสงบมันก็จะได้เป็นผืนเดียวถ้าอาจารย์ว่าไปก็อาจไม่รู้เรื่องอือว่าเออเออนั่งสมาธินะคะ เราก็ไม่ค่อยได้ริงกับนั่งนานๆ <ะ S 1> <นะ S 2> มันก็เริ่มปวดมากอืปวดขาปวดเข่าเนี่ยเนี่ยมันวิ่งอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องพุทธโถ่กำนั้นเขาพุโทโธพุทธโถเนี่ยจะทําให้มั น, มนหายจ็บน้อย ก, ก็ลดไปครึ่งจริงความเจ็บสั ญ, ญญามันอยู่ที่ใจเราแล้วก็หายไปครึ่งแต่ผลได้นี่ก็คือคื อ, คอว่าเราทามสงบใจเรานิ่งขึ้นใจเรานื่องนิ่ง มาก ข, ขึ้นข น, ขนาดที่แบบช่วงบนนี้มันเบาขึ้นเบาแล้วก็แล้วก็แบบสบายนะฮ ะ, ะก็นางไปนางไปถึงว่ามันสองชั่วโมงครึ่ง น, นะคะโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยสบายแลวพอพอมันเช้าแล้วนะวก็ค่อยคอ ย, ยืดขาออกนวดนิดหน่อยอพอวันรุ่งขึ้นทำอีกเขาก็ไม่ปวดอีกเลยเวลาไหมะก็เพราะว่าจิตมันสงบไง ความไม่มีความอยากมันก็เลยไม่มีความรู้สึกเจ็บทใจนี่นะคะยมก็มาถูกแล้วตอนนี้ถูกก็ทําต่อไปอทําไปเรื่อยๆทําให้มากๆเหมือนกับหาเงินเนี่ยหาเงินให้มากๆยิ่งหามากก็ยิ่งรวยมากานอนก็รวยน้อยแล้วไม่ต้องไปคำว่อยากว่าจะถึงที่ไหนนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจความสงบเนี่ยมันจะเป็นเป็นผล มันมีชื่อต่างๆเพียงแต่เราไม่รู้ว่าตอนนี้ความสงบแบบนี้ชื่อมีชื่ออะไรเท่านั้นเองเหมือนกินข้าวเราไม่ต้องไปรู้ว่าสงบอิ่มขนาดนี้มีชื่อว่าอะไรมันขอให้มันอิ่มก็แล้วกันและวันมันก็บางทีมันก็แตให้มันสงบให้มันความวุ่นวายน้อยลงไปความกังวลน้อยลงไปความคิดปรุงแต่งน้อยแล้วเรื่องราวต่างๆมันจะน้อยตามไปเองที่เรื่องราวต่างๆมันเกิดเพราะเราไปคิดถึงมันเอง เฉยก็ทําไปแบบเป็นกิจวัตรนะคะแล้ววันนึงเขาจะเขาจะถึงหรือไม่ถึงก็ช่างเขาชวันหนึ่งเราก็ไม่ก็บางเทีก็อยู่ที่เหตุการณ์ด้วยว่าพอมีเหตุการณ์ขึ้นมาก็เหมือนกับว่าเราเฉยได้หรือเปล่าถ้าเฉยได้ก็แสดงว่าออเราผ่านเหตุการณ์นี้ได้ถ้าเราเฉยไม่ได้ก็แสดงว่ายังสอบตกอยู่ก็ต้องมาศึกษาหาวิธีทำให้ผ่านไปให้ได้เช่นเกิดเรา เสียคนนั้นคนนี้ไปเราเสีย อ, อกเสียใจหรือเปล่าถ้าเสีย อ, อกเสียใจก็แสดงว่าเราสอบตกเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแล้วเราโกรธหรือเปล่าเสียใจหรือเปล่าขโมยมาขโมยทีวีไปโมโหหรือเปล่าเสียดายหรือเปล่ารู้สึกรู้สึกว่าเฉยๆดีใจใก็มาขอบุญก็ให้เขาไปเหมือนได้ทําบุญเหมือนได้ใส่บาตร เอาไปเลยดีสิยิ่งถ้าไม่ซื้อใหม่ได้ยิ่งดีอ่ะแสดงว่ า, เ, าเราไม่ต้องอาศัยทีวีแล้วไม่ต้องไปดูมันละเพราะเราต้องปฏิบัติทั้งทั้งเวลาน้งางเวลาหน้างนี้น<อ>เป็นการสร้างกําลังไหมสร้างกําลังไว้ไว้รับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่สร้างกําลังไว้เดี๋ยวไปเจอเหตุการณ์เราจะไม่มีกําลังสู้มันน ต, ตอนนี้เรากําลังสร้างกําลังเฉย พอเราไปเจอเหตุการณ์เราจะได้เฉยได้ใครก็ดา่าเราแล้วก็เฉยใช่ ไ, มไมามใครก็ชมก็เฉยเหมือนกันทั้งสองอย่างข้ามยิ้มรู้สึกรู้สึกไม่เห็นไม่เห็นสำคัญ ช, ชมก็เท่านั้น<ม>ด่าก็เท่านั้นมันไม่เห็นเกี่ยวกับเราเลยต้องแบบต้องเป็นแบบนั้นถ้าใจเฉยจริงๆแล้วมันจะรู้สึกอย่างนี้นก็เป็นแค่คำคำพูดเป็นปากของเขาทนั่นเอง มันทำไมจะทําให้เราเต้นแรงเต้นกาขึ้นมาได้ก็พระเราไปติดกับคาพูดของเขาแตถ้าใจเราเฉยล้วต่อไปเราจะไม่ติดกับคําพูดของเขาเขาจะพูดดีก็ปากของเขาเขาจะพูดชั่วก็ปากของเขามันไม่จะมาทําให้เราดีหรือชั่วตามคําพูดของเขาหรอกใช่ไหมเราใช้เฉยเขาก็เหนื่อยไปเองอ่าเนี่ยแหละมันคุยเราไปคุยกับเสาวนี้ดูเลยเธอเป็นยังไงอย่างงน้นอย่างนี้คุยสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็เบื่อแล้ว ไม่มันไม่มีคำตอบเลยํำตัวเป็นเสาเอาใจนะที่เรามาฝึกตอนนี้ทำตัวให้ใจเฉยไอารอันนี้ยังไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายอันนี้เป็นเพียงคำตอบข้อข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือต้องเอาความสามารถนี้ไปใช้กับเหตุการณ์ที่เราจะต้องเจอเช่นเดี๋ยวร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวร่างกายเป็นอ น, นุนันนี้เฉยได้หรือเปล่า น, นี่แหละคือถ้าเราไม่ฝึกเลยเราจะเฉยไม่ได้พอเป็นอะไรนิดแปลหน่อย ใ, ใจจะเต้นขึ้นมาทันทีเลยอนนยอมมปีปัญหาเล็กน้อยนะคือว่าฝ่ายสองน้องเนี่ต้องรีบกลับมามานั่งฟังอันนี้ก็มีผู้คนอยู่รอบข้า อ, อเขาบอกว่าฟังเรื่องต่อมาอยู่ไม่ใส่ลักออก็มา เอามาไปซื้อ Emma, เอามามาใส่ไปเอะล่ะเงียบเลยเข้าเข้ามากันเ็าบอกแลยโอ้แอนตี oh, ้โซเชียลอยหรอทำไมไม่อะทำไมแมเออใส่หมกเนี่ยไ ม, ไม่ไม่เตรียมพูดออกับไทยเราจะถามอะไรก็ไม่ได้อ้าวแล้วทำไมทำไมไมตอนตอนเราไม่ใส่เนี่ยเขาบอกเปนหนกนู้นอนนี้พอเราใส่แล้วเขาบอกว่าแสดงว่าเรายังไม่เฉย เฉยก็เรื่องของเขาเลยก็จะพูดไงกั็เรื่องของเขาไปเราก็เมตตาเขาแล้วว่าไปใส่แต่พอเราใส่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่เปิดประตูเลยกริว่าริงด้วยก็แสดงว่าสอบตกยากนะาจารย์พูดไปนี่มันก็ง่ายก็ยังนั่งมากยังยังนั่งไม่พอยกำลังเฉยยังไม่พอ นอกจากกาลังเฉยแล้วต้องมีปัญญาสอนด้วยว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้าไม่ได้คิดค่ะก็เขาจะพูดไม่พูดเขาจะทำอะไรเราก็อมฟังอาจารย์ค่ะฟังฟังเทศฟัจะเอาอะไรแค่นี้เขาจะพูดก็พูดไปปัญหาทุกบ้านนะตอนนี้ฟังอาจารย์เพราะว่าลูกไมฟังแต่เรื่อง อย่างนี้เราก็ขอใไปไปสักแไม่เป็นไรเนี่ยมันฟังสดไม่ได้เดี๋ยวก็ไปฟังเดเดีี๋๋ยยว <สด S 2> <ด>ไปฟังตอนหลังก็ได้ถ้าบางทีมีหน้าที่จะต้องโซเชียลก็ต้องโซเชียลหน่อยอยู่กับเขาทําไงได้ดยืนย้นหลังนะเออยดูย้อนหลังได้แต่เราอยากจะทราบว่าอาจารย์ว่าอะไรเทศว่าอะไรตอนนี้อันนี้ก็เป็นก็เป็นความอยากอะไรเป็นความอยากนะใช่ไาจ ความอยากนี่มันมาทุกรูปแบบเลยปัญญาเรายังไม่ทันไ่กานที่จะไปแก้เขาไม่มาแก้ความอยากเราถ้าอยากจะฟังแล้วฟังไม่ได้ก็อยา่าพุ่งไปฟังปิดซะดอยู่กับเขาไปก่อนเมื่อยังต้องอยู่กับเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาให้ได้ไ ป, ไปแล้วเาอาใช่ก็ต้องรู้จักการละเทศะต้องรู้จักการล มีปัญหาก็มามีมาพระอาจารย์ครับความความโกรธกับเออไม่ใช่อา่เอาเขารไความอา่าอย่าให้ถามลืม <c oughs> <c oughs> ลืมนะครับจากคุณฟ้าใสนะครับ <c oughs> ลืมจริงๆเอ่บุญกับบารามีเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะอันเดียวกันอะบุญก็ก็คือบารามีบาปก็เรียกว่าวิบากหรือกรรม ก็เป็นเป็นผลไบุญก็เป็นเหตุก็แกันและบารมีก็เป็นผลเช่นเราทำบุญทาให้ทานอยู่เรื่อยๆต่อไปก็จะมีทานบารมีคือจะไปไหนก็จะมีแต่ข้าวของเงินทองรอเราอยู่เขายคนมีทานบารมีคือภาษามันใช้ใช้ทดแทนกันได้แต่ความหมายมันอาจจะ ไม่ตรงกันแต่มันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกัน<ม>ทานบา ร, รมีก็ได<ม>้บุญที่เกิดจากการทำทานก็ได้มันก็เหมือนกันความหมายเดียวกันแต่ใช้ในในอาจจะใช้ต่างกันไปตามตามเหตุการณ์น<ม>ของภาษานี่ก็เป็นบุญได้เหมือนกันอ่อ<ม>ก็บุญมีสิบประการไงบุญที่เกิดจากการให้ทาน บุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญบุญที่เกิดจากการฟังธรรมบุญที่เกิดจากการารับใชผ้ผู้ช่วยเหลือผู้อันนี้ก็เป็นบุญทั้งนั้นเหมือนอาหารที่มีชนิดต่างๆบุญแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันคือมีปริมาณไม่เหมือนกันแล้มีที่มาไม่เหมือนกัน แล้วบุญบางอย่างก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้บุญบางอย่างต้องมีเหมือนอาหารเนี่ยอาหารต้องมีอาหารหลักส่วนอาหารเสริมนี่มีก็ได้ไม่มีก็ได้เช่นขนมอะไรพวกนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่อาหารหลักที่ต้องมีก็อาหารสี่กลุ่มใช่ไหมข้าวเนื้อผักอะไรพวกนี้ต้องมีแต่ถ้าไม่มีขนมไม่มีของหวานก็ไม่เป็นไรไม่มีเครื่องดื่มก็ไม่เป็นไร บุญหลักก็มีอยู่ประมาณสี่ข้อคือทานศีลภาวนาการฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นบุญหลักที่ต้องมีส่วนบุญอย่างอื่นนี่เป็นบุญเสริมมีก็ได้ทำไปตามโอกาสแต่อยู่ที่ไหนเขามีการทำงานการเรามีแรงก็ช่วยเหลือกันไปอันนี้ก็เป็นก็ได้บุญ เวลาเราทำบุญเราอยากจะอุทิศบุญให้กับผู้ที่ร้องรับไปแล้วก็อุทิศได้การมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ก็เป็นบุญบุญมีสิบประการบุญในพระพุทธศาสนามีสิบประการเหมือนกับบรารมีก็มีอยู่สิบประการซึ่งก็คล้ายๆกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าแสดงออกมาแล้วมันเน้นไปในทางอื่นไม่ เรื่องของบารมีนี้จะเน้นไปในทางทางนศีลภาวนาเป็นหลักเป็นบุญหลักบารมีนี้เป็นบุญหลักเช่นทานบารมีเมตตาบารมีก่อนจะทำทานได้ก็ต้องมีเมตตาบารมีเพราะคนไม่มีเมตตาจะไปทำทานได้ใช่ไมพอทำทานท <ำ S 1> ได้ไดแล้วก็จะรักษาศีลได้รักษาศีลได้ก็ในขมมะได้ จากศีลห้าก็ไปถือศีลแปดได้พอศีลแปดได้ก็ไปภาวนาได้ไปทําใจให้เป็นอุเบกขาไนดะ้พอใจเป็นอุเบกขาก็จะใช้ปัญญานะจ ะ, จะเจริญปัญญานะอันนี้ก็เป็นบารมีบุญกับบารมีสรุปแล้วก็เหมือนกันคำถามข้อต่อไปจากทาง YouTube ไลฟ์นะครับ เวลาไปกราบไหว้ครู tamam. Higher, บาอาจารย์ความคิดที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นขึ้นมาเองจะทําอย่างไรครับคิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์โดยไม่เจตนาก็อย่าไปสนใจหรือว่าเตือนตัวเองว่าถ้ามันเป็นความคิดไม่ดีก็เป็นเหมือนกับขยะดีๆนี่เราจะเก็บขยะไว้ทําไมเมื่อมีความคิดไม่ดีเราก็โยนทิ้งไปเหมือนเราโยนทิ้งขยะไปเพราะมันไม่เป็นประโยชน์กับเรามันเป็นโทษกับเรา คำถามจากคุณกรุงจริงนะครับผมนั่งสมาธิทุกวันทราบตนเองดีว่ากำลังของสมาธิไม่พอวันไหนเมื่อสงบแล้วมีความสุขมากแต่ถ้าวันไหนไม่สงบแล้วนั่งนางกนกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ไม่สงบจนเกิดเวทนาจึงเปลี่ยนไปตามดูเวทนาแต่ถ้าวันไหนสงบเวทนาเรื่องปวดขาจะไม่มีเลยขอพระอาจารย์แนะนาทางปฏิบัติต่อไปครับก็เวลาเกิดเวทนาอย่าไปตามดูเวทนา ไม่ไปตามดูตันหาค้นหาคันตัวที่มันทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาในใจเวลาเกิดเวทนาทางร่างกายมันจะเกิดตันหาความอยากให้เวทนาหายไปแล้ว อ, อยากจะหนีจากเวทนานั้นไปไอ้ตัวนี้ต่างหากที่ทำให้เราทรมานใจที่ทาให้เราทนนั่งต่อไปไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายแต่เพราะความอยากลุกหรือเพราะความอยากให้ความเจ็บหายไปจะได้นั่งสบาย แต่มันไม่หายดอกเพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นอนี้จะมันจะหายมันต้องมันถึงเวลามันก็หายถ้ายังไม่ถึงเวลามันก็ไม่หายเป็นอนัตตาก็คือเราไปสั่งมันไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่กับมันไม่มีความอยากจะให้มันหายหรือไม่มีความอยากจะลุกเราก็จะสงบแล้วก็จะอยู่กับมันต่อไปได้ย่าไปดูเวทนายิ่งดูมันยิ่งอยากให้หายใหญ่ใช่ไม มันดูคนที่เขาด่าเราก็ยิ่งอยากให้เขาหยุดเนอะแต่ถ้าไม่ไปนสนใจเป็นทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เขาจะดา่าก็ด่าไปเราหูทวนลมซะอย่างเดี๋ยวเขาก็หยุดด่าเองเวทนากับคนด่านี้ก็เป็นตัวอย่างคล้ายๆายกันนะเวลาเจอคนด่านี้ก็อยากจะหนีแล้ว อ, อยากจะให้เขาหยุดเวลาเจอเวทนาก็อยากจะให้หายแล้ว อ, อยากจะหนีจากมันไปที่มันทนไม่ได้ก็คือความอยาก ที่สร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากทําใจเฉยๆพุโทโธพุโทโธไปมึงอยากจะด่าก็ด่าไปมึงอยากจะเจ็บก็เจ็บไปเท่านั้นมันก็จบมันก็จะอยู่กับมันได้พระอาจารย์ครับเมื่อกี้ที่ถามนึกไม่ออกตอนนี้นึกออกแล้วครับระหว่างคําด่ากับคําชมสําหรับผู้ปฏิบัติอ่เอาเอาันไหนวางง่ายกว่ากันครับพระอาจารย์ก็แล้วแต่ละคนนะส่วนใหญ่ก็ คำชมมันไม่ต้องวางมันชอบอยู่แล้วแต่ที่มันทนไม่ได้ก็คือความด่าทุกคนอยากจะให้ชมแต่ไม่ชอบให้ด่าพอชมไม่เดือดร้อนใช่ไหมเพราะไม่ชมแล้เดือดร้อนแล้วพอด่ายิ่งเดือดร้อนใหญ่เจ่ะไหมเคอยอยู่กับแฟนทุกวันทุกวันเคยชมทุกวันพอวันหนึ่งไม่ชมขึ้นมาถามทาไมเธอไม่ชมฉันเป็นอะไรเหรอ ไม่พอใจแล้วเลยไม่ชอบฉันแล้วเลยมันจะคิดไปแล้วคำถามจากคุณปั้นปอนะครับความปิติเกิดขึ้นจนน้ำตาไหลอิ่มเอิมใจแต่มีสติกับพุทโธอยู่ในขณะนั้นเป็นสมุทัยหรือเป็นมรคเอ่ไม่มเป็นสมุทยนะัยแล้วไม่เป็นกิเลสนะความอิ่มเอบใจความปิตินี่มันเป็นผลที่เกิดจากได้สัมผัสกับความสงบ เป็นความสุขอย่างหนึ่งแบบหนึ่งบางทีสุขจนน้ําตาไหลจนขนลุกซาขึ้นมาเป็นปิติเราก็เรียกว่าปิติเป็นความซาบซึ้งใจบางทีได้ยินอะไรมันโดนใจเนี่ย ม, มันก็น้ําตาไหลได้อันนี้ไม่ใช่เป็นกิเลสไม่ใช่การมาตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาหรือความโลภความอยากได้อะไรไม่ใช่มันเป็นเรื่องของของใจที่มัน มีความทราบซึ้งกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำถามจากคุณมังกร น, นะครับผมเคยนั่งสมาธิจิตรวมแล้วเวลาออกคือบังคับถอนออกมาเลยอยากรู้ว่าจะมีผลต่อการปฏิบัติครั้งต่อไปหรือเปล่าครับเท่าที่ได้ยินถ้าเราเข้าไปแล้วเราดึงมันออกมาต่อไปมันจะเข้ายากเวลามันเข้าไปแล้วอย่าไปดึงออกให้มันอยู่ไปจงกวมันจะออกมาเอง แต่ก็ไม่รู้นะลองไปพิสูจน์ดูก็แล้วกันว่านั่งต่อไปมันจะเข้ายากหรือไม่คำถามจากคุณชุติการนะครับสำหรับบางคนที่นั่งสมาธิแล้วกลัวผีหรือระแวงสิ่งที่มองไม่เห็นจะมีอุบายหรือวิธีทาให้ใจที่กลัวนั้นให้กล้าขึ้นมาได้อย่างไรบ้างคะนั่งที่บ้านกลับกลัวไปที่วัดป่ากลับไม่กลัว ก็เวลาเกิดความกลัวท่านก็บอกว่าอย่าส่งใจไปคิดถึงเรื่องที่ทาให้เรากลัวให้เราพุโทโธพุโทโธไปอย่าให้ไปคิดแล้วเดี๋ยวความกลัวก็จะหายไปหรือใช้อุบายของปัญญาก็คิดว่าอย่างมากก็แค่ตายว่ายอมตายมันก็จะหายกลัวก็มีสองวิธีคำถามจากคุณสุทธิพง์นะครับเวลานั่งสมาธิจนกำลังจัดสงบแล้วหายใจไม่ออก ทรมานจนต้องบังคับให้ตัวเองหายใจซึ่งเป็นเพราะว่าเรากังวลเกี่ยวกับการหายใจต้องพยายามตั้งสติที่พุทโธห้ามกังวลเกี่ยวกับการหายใจอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับถ้าเรามีปัญหาเรื่องหายใจก็อย่าไปใช้ลมหายใจให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวให้ท่องแต่พุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปเอาพุทโธไปผูกไว้กับการหายใจเอาพุทโธอย่างเดียว อย่าไปสนใจกับเรื่องของการหายใจคำถามจะคุณตันนะครับถ้าเราบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลกับเราทำบุญให้กับวัดบุญกุศลที่ได้รับต่างกันอย่างไรบุญที่เราให้บุญที่เกิดในใจเราเท่ากันแต่ประโยชน์ที่ได้รับมันก็ต่างกันให้โรงพยาบาลาก็ไปทาประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลให้กับทางวัดเขาก็ไป ส่งเสริมการศึกษาการปฏิบัติธรรมงั้นมันก็ประโยชน์ต่างกันแต่อะความบุญคือความสุขใจเท่ากันแล้วถ้าให้กับทางโรงพยาบาลกลับไปทางวัดที่รู้ๆอยู่ว่าเอาไปส่งเสริมยิเลสซะมากกว่าครับอาจารย์ถ้าเรารู้เราจะไปทำทำไมอ๋อโรงพยาบาลดีกว่าใช่ไหมครับอ่าเราก็ต้องแรงถึงประโยชน์ที่เขาจะาไปทํา ถ้าเอาไปให้กับที่ที่เขาไม่ไปทําประโยชน์เราก็อย่าเอาไปให้เพราะเราความรู้สึกมันจะน้อยลงไปความรู้สึกมีความสุขมันจะน้อยลงไปใช่ที่เรามีความสุขเพราะเรารู้ว่าเงินที่เราเสียสละนี่ที่เราห่วงนี่เขาจะไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นทางใดทางหนึ่งคําถามจากคุณจีรศัก์นะครับตอนนี้กระผมพิจารณาดูความคิดของตัวเองและรู้ว่า จะมีความคิดอยู่2แบบคือ 1. ความคิดที่เราตั้งใจคิด 2. ความคิดที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดความคิดทั้ง2แบบนี้คืออะไรครับและกราบขออุบายในการแก้ไขไม่ให้เกิดความคิดด้วยครับเพราะรู้ว่าความคิดเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าจิตใจจะเกิดทุกข์อยู่เสมอก็ความคิดที่เราไม่ได้ตั้งไดดังใจนี้ก็คือเป็นวิบากของเราเนี่ยเราเคยทําอะไรมาเคยคิดอะไรมามันก็จะคิด แบบนั้นไปถ้าเราไม่ต้องการมาันเราก็ใช้พิษพุทโธสู้กับมันไปเวลาไม่คิดจะไปสูบบุหรี่ก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปทำตามความคิดนั้นต่อไปความคิดนั้นก็จะหมดกำลังไปแต่ถ้ามันคิดแล้วเราไปทำตามที่มันคิดมันก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆส่วนความคิดที่เราตั้งใจนี้ก็ไม่มีปัญหาเราตั้งใจคิดอยู่แล้ว แต่ความคิดที่เราไม่ตั้งใจเป็นความคิดที่มันเป็นอนัตตาคือเราไปสั่งมันไม่ได้มันมาเองมันมาเพราะว่าเราเคยคิดแบบนั้นมาก่อนเป็นนิสัยไงพ mm hmm. อเป็นนิสัยมันก็จะคิดแบบนั้นไปเรื่อยๆแต่ถ้ารู้ว่าเป็นความคิดนิสที่ไม่ดีเราก็เปลี่ยนมันได้หยุดมันได้ล้างมันได้ลา้ลางด้วยสติพุโทโธพุโทโธไปหรือล้างด้วยปัญญาว่าเออไปสูบบุหรี่ไม่ดีนะไปดื่มโุราไม่ดีนะ เราาาาไไไมมมม่่ทํตตัันนอปปก็จะหยคําถามจากคุณเฉลิมพรนะครับกิเลสกับตัณหาเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับต่างกันตรงชื่อต่างกันแต่ความตั ว, ตวความหมายก็คือเดียวกันความโลภก็คือตัณหาทั้งสานี่แหละคือความอยากได้รูปเสียงกลิ่นแล้วก็เป็นความโลภอย่างหนึง่งอยากมีอยากเป็นก็เป็นความโลภอย่า ง, งอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็เป็นความโลภอีกอย่างหนึง แต่ว่าความโกรธนี่มันเป็นผลตามมาจากความอยากหรือความโลภพออยากแล้วมันไม่ได้มันก็โกรธแล้วเหตุที่ทำให้โลภ ก, ก็คือความหลงไม่รู้ว่าความโลภนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขพอรู้ว่ามันเป็นทุกข์ต่อไปก็ไม่โลภไม่อยากได้เลยคคำถามข้อต่อไปจากคุณอยู่กับปัจจุบันนะครับหลานกำลังเป็นวัยรุ่นแล้วเขาวิ่งตามโลก ตลอดเวลาดูแล้วเหนื่อยแทนจะสอนยังไงให้เขารู้ว่ากิเลสมันเป็นทุกข์เคยพูดแล้วแต่เขาจะมีเหตุผลมาแย้งตลอดขอความเมตตากักพระอาจารย์ค่ะก็ต้องพาเข้าวัดบ่อยๆพามาทำบุญพามาฟังเทศฟังธรรมปิดเทรมก็จับบวชเนนอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามันช้าเกินไปก็ช่วยไม่ได้แนละ้วสายเกินไปไม้ไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่าย แต่ถึงแม้ว่าถ้าพาเข้ามาวัดแล้วทำในทุกอย่างแล้วเขาก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าเป็นวิบากของเขาเป็นสันดานของเขาก็ชอบแบบนั้นเราก็ต้องทําใจอย่างเดียวโป่งอย่างเดียวเป็นกรรมของเขาแลาไปเดือดร้อนแทนเขาทาไมเดือดร้อนเพราะเราอยากไม่ให้เขาเป็นนั่นเองคำถามจากทาง u t u b e live นะครับจากคุณกิตรกรนะครับผมและครอบครัวร่วมกับคณะสาธุชนถวายพายระไตรปิฎก ให้วัดได้รับอนิสง์ผลบุญอย่างไรครับพ่ออาจารย์ก็เป็นทานอย่างหนึ่งเป็นธรรมทานการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าธรรมะนี่มีคุณค่ายิ่งกว่าเพ็ญนินจินดาเพราะเพ็ญนินจินดาดับความทุกข์ไม่ได้แต่ธรรมะนี่ดับความทุกข์ได้ท่านจึงมาบอกว่าการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงแต่ก็ต้องดูคนรับว่าเขาต้องการธรรมะหรือเปล่าเขาต้องการข้าวไปให้ธรรมะเขามันก็ไม่มีประโยชน์ เ็นที่วัดก็มีตู้พระตายเป็นดกอยู่สิบตู้แล้วแต่ไม่มีใครใส่บาสนี่จะอยากจะได้บุญเยอะๆก็เอาไม้ตู้หนึ่งแทนที่จะใส่บาสนี้พระก็อดตายพระไม่มีกินข้าวไม่มีแร้านก็ก็ไปอ่านธรรมะไม่ได้มันก็ต้องดูการลาเทศสะด้วยเวลาเวลาจะให้อะไรต้องดูว่าเขาขาดแคลนหรือเปล่าสิ่งที่ขาดแคลนเนี่ยควรจะให้ สิ่งที่เหลือเฟือไม่ควรให้การทำบุญควรเน้นที่สิ่งประโยชน์ที่จะเกิดมากกว่าที่ตำตามกันนะครับค่ถานคำถามจะคุณประทุมมานะครับ <c oughs> เพื่อนพูดถึงความตายความพัดภาคเขามีความกลัวแต่ทำไมหนูจึงรู้สึกขดหู่ไปด้วยคะก็หนูก็กลัวด้วย <laughs> <laughs>